บทภาชณีติการนิสกิยาปาจิตตีเจ็ร้เาเผ้าห่มบางราคาเกินสองกังสาครึ่งภิกษุณีสำคัญว่าเกินขอต้องอาบานิสกิยาปาจิตตี 2. ผ้าห่มบางราคาเกิ น, 3, นสองกังสาครึ่งภิกษุณีไม่แน่ใจขอต้องอาบานิสกิยาปาจิตตี 2. ผ้าห่มบางราคาเกินสองกังสาครึ่งภิกษุณีสำคัญว่าย่อนกว่าขอต้องอาบานิสนกิยาปาจิตตีทุกๆุกฎ ผ้าห่มบางราคาหย่อนกว่าสองกังสาครึ่งภิกษุณีสำคัญว่าเกินต้องอบัตทุกกฎผ้าห่มบางราคาหย่อนกว่าสองกังสาครึ่งภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎผ้าห่มบางราคาหย่อนกว่าสองกังสาครึ่งภิกษุณีสำคัญว่าหย่อนกว่าไม่ต้องอบัต